ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำพีชื่อนาลังการะดีกาแปลพระพุทธกิตาจารย์ชาวสีลังการจนาต่อไปจะเป็นการพนานาปาฏิหารสามอย่างถึงตอนที่สมเรเนรีชื่อจิระอายุเจ็ดปีมาทูลขอทำปาฏิหารต่อจากนี้ไปบัณฑิตถึงทราบคำเล่าเรื่องอย่างนี้ ตามทำนองที่กล่าวแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเราตถาคตทราบว่าเธอมีอนุภาพมากแล้วไม่ทรงอนุญาตให้สามเนรีนั้นทำปาฏิหาริย์ลำดับนั้นจุนท่าสามเณรอายุเจ็ดปีซึ่งบรรลุ ป, ปฏิสัมพิทารูปหนึ่งถวายบังคมพระาศาสดาแล้วกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะกระทำปาฏิหาริย์พระเจ้าข่าพอถูกพระาศาสดาตรัสถามว่าเธอจะทาอย่างไร จึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะจับต้นจับลำต้นตว่าใหญ่ที่เป็นธงแห่งชมพูทวีกแล้วเขย่าให้ไหวนำเอาลูกว่าผลใหญ่มาให้บริษัทกินกันแล้วจะนำดอกปาริฉัดมาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตให้สำเนนนั้นทำปาฏิหารลำดับนั้นพระอุบลวรรณเถรีถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่า แต่งพระองค์ผู้เจริญมอมฉันจากกระทำปฏิหารพระเจ้าข้าพอถูกพระศาสดาตรั ส, สถามว่าเธอจะทําอย่างไรจึงกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญมอมฉันจะพาบริษัทประมาณสิบสองยอไปเป็นพระเ จ, าจาะ้าจักรพรรดิมีบริษัทประมาณสามสิบหกยอแวดล้อมเป็นลานกลมแล้วจะมาถวายบังคมพระองค์เพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเราตถาคตทราบว่าเธอมีอนุภาพมาก แนวทรงห้ามพระเถรีนั้นทำปาฏิหาริมกันลำดับนั้นพระมหาโมคคดานะเถระถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะกกระทำปาฏิหาริย์พระเจ้าข่าเพราะถูกพระศาสดาตรัสถามว่าเธอจะทำอย่างไรจึงกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะวางขุนเขาสิเนรุไว้ในระหว่างซี่ฟันแล้วเคี้ยวเหมือนเคี้ยวเมล็ดพันธุ์กระาษ พระผู้มีพระพภาคเจ้าตรัสถามว่าเธอจะทําอะไรอื่นอีกพระเถระกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จกม้วนแผ่นดินใหญ่นี้เหมือนเสือลำแพนแล้วขี้ไว้ในระหว่างนิ้วมือพอถูกถามว่าพอถูกตรัสถามว่าเธอจะทําอะไรอื่นอีกจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์จะหมุนแผ่นดินใหญ่ให้เป็นเหมือนจักช่างหม้อแล้วให้มหาชนกินโอชารสที่เกิดจากดิน พอถูกตรัสถามว่าเธอจะทําอะไรอื่นอีกก็ได้กราบทูลว่าข้าพระองค์จะวางแผ่นดินไว้บนมือข้างซ้ายแล้วให้ตัดเหล่านี้ดารงอยู่ในทวีปอื่นพอพระศาสดาตรัสว่าเธอจะกระทําอะไรอื่นอีกจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะทําภูเขาสีเนรุให้เป็นด้ามฉัดยกแผ่นดินใหญ่วางไว้บนด้ามฉัด น, นั้นเอามือข้างหนึ่งถือเดินจงกรมไปในอากาศ เมือนพิจุเดินถือร่มพระศ า, าสดาตรัสว่าเราจะถากทราบว่าเธอมีอนุภาพมากแล้วไม่ทรงอนุญาตให้พระเถระทำปาฏิหารพระเถระนั้นคิดว่าพระศาสดาเห็นจะทรงทราบการทำปาฏิหารที่ยิ่งกว่าเราในเรื่องนี้ต้องมีเหตุแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งลําดับนั้นพระศาสดาตรัสว่าโมคลานะพวงแห่งระเบียบ ด, ดอกไม้นี้เขาไม่ได้ร้อยไว้เพื่อเธอ เพราะว่าเราเป็นผู้มีธุระหาผู้เสมอไม่ได้บุคคลอื่นที่สามารถนำธุระของเราไปได้ย่อมไม่มีบุคคลผู้สามารถที่จะนำธุระของเราไปไม่พึงมีในบัดนี้นั้นไม่น่าอัศจรในครั้งที่เราจะถากดบังเกิดในกำเนิดสัตระชานที่เป็นอเหตุตุกตดก็ไม่ได้มีผู้ที่สามารถนำธุระของเราไปได้เลยพอถูกพระเถระทูลถามว่าเมื่อไรหรือในที่ไหนพระพุทธเจ้าข้า จึงทรงนำอดีตนิทานมาแสดงกันหาอุสภะชาดกนี้อย่างทิสดานว่าในที่ใดๆมีธุระหนักในที่ใดหนทางเป็นร่องลึกครุขระในเวลานั้นแหละชนทั้งหลายจะเทียมโคกันหะโคกันหะนั้นแหละจะนำธุระอันนั้นไปได้นีเรื่องนี้ก็อยู่ในชาดกก็แล้วนั้นื้อผู้มีพระจ้าตรัสแล้วก็ได้เนรมิตรันจงกรม ด้านหลังกับด้านหน้ากว้างเท่าหนึ่งหมื่นจักรวาลและเมื่อเนรมิตก็ทรงทําสุนเนรุอ่ก็ทําเมรุแก้วในหมื่นจักรวาลเรียงต่อๆกันอืมอันนี้จะเป็นเขาทีนเนรุหรือเปล่านะทรงทํามเมเรุแก้วทําเมรุแก้วในหมื่นจักรวาลเรียงกันต่อๆมาให้เป็นเหมือนเสาแก้วแล้วทรงเ น, น, นรมิตรัตนจงกลม กว้างเท่าหนึ่งหมืนจักรวาลทางอาตาทรงเนรมิตรส่วนข้างหนึ่งแห่งรัตนจงกลมนั้นให้ตั้งล่วงเลยที่สุดข้างหนึ่งอยู่ท้ายสุดที่ทั้งปวงที่ขอปากจักรวาลด้านทิศปากีนในหมื่นจักรวาลอันหนึ่งพระองค์ทรงเนรมิตรส่วนข้างหนึ่งให้ตั้งอยู่ล่วงเลยที่สุดข้างหนึ่งที่ขอปากจักรวาลด้านทิศปัจฉิมพื้นสถานที่เขตแดนที่จงกลมซึ่งพระองค์ทรงเนรมิตรแล้วอย่างนี้ ทำด้วยทองหน้าเรื่อนรมใจอย่างยิ่งในข้างทั้งสองส่วนตรงกลางได้มีหลังคาบุงด้วยไม้เรียบที่ทำด้วยทองอยู่บนแนวคือที่ทำด้วยรัตนะต่างๆสถานที่ที่กำหนดเป็นที่จงกรมมีพายทีก็คือระเบียงทำด้วยทองมีทายแก้วมณีและแก้วมุกดาโรยไว้มีรัตนะจงกรมเห็นป่านนี้ พระผู้มีพระภาเจ้าเสด็จจงกลมอยู่ณที่จงกรมซึ่งกว้างเท่าหนึ่งมืนจักรวาลได้ทรงทำยมกปาฏิหาริย์ด้วยประการอย่างนี้ในครั้งนั้นข้างหน้าได้มีบริษัทประมาณสิบสองยอดข้างหลังทิศทักษิณและทิศอุดรก็เหมือนกันส่วนตรงกลางได้มีบริษัทประมาณยี่สิบสี่ยอบริษัทของมนุษย์ได้มีแล้วด้วยประการอย่างนี้ไม่จําต้องกล่าวถึงเทวดาและพรหมเป็นต้นเลย พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกระทำยมกปาฏิหารในถ้ำกลางบริษัทนั้นแล้วในยานนั้นมีพระบาดีดังต่อไปนี้ยานในยมกปาฏิหารของพระตถาคตคือในยานนี้พระตถาคตทรงทำยมกปาฏิหารที่ไม่ทั่วไปกับพระตาวกทั้งหลายได้แก่เปลวไฟพุ่งออกจากพระวรกายส่วนบนสายน้ำพุ่งออกจากพระวรกายส่วนล่าง เปลวไฟพุ่งออกจากพระวรกายส่วนล่างสายน้ำพุ่งออกจากพระวรกายส่วนบนเปลวไฟพุ่งออกจากพระวรกายส่วนหน้าสายน้ำพุ่งออกจากพระวรกายส่วนหลังเปลวไฟพุ่งออกจากพระวรกายส่วนหลังสายน้ำพุ่งออกจากพระวรกายส่วนหน้าเปลวไฟพุ่งออกจากพระเนตรข้างขวาสายน้ำพุ่งออกจากพระเนตรข้างซ้ายเปลวไฟพุ่งออกจากพระเนตรข้างซ้าย สายน้ำพุ่งออกจากพระเนตรข้างขวาเปลวไฟพุ product to product to product ่งออกจากพระกันข้างขวาสายน้ำพุ่งออกจากพระกันข้างซ้ายเปลวไฟพุ่งออกจากพระกันข้างซ้ายสายน้ำพุ่งออกจากพระกันข้างขวาเปลวไฟพุ่งออกจากช่องนาสิษฐ์ข้างขวาสายน้ำพุ่งออกจากช่องพระนาศิษฐ์ข้างซ้ายเปลวไฟพุ่งออกจากช่องพระนาสิษฐ์ข้างซ้ายสายน้ำพุ่งออกจากพระนาศิษฐ์ข้างขวา เปลวไฟพุ่งออกจากจงอยพระอังสาข้างขวาสายน้ำพุ่งออกจากจงอยพระอังศาข้างซ้ายเปลวไฟพุ่งออกจากจงอยพระอังสาข้างซ้ายสายน้ำพุ่งออกจากจงอยพระอังศาข้างขวาเปลวไฟพุ่งออกจากพระหัตถ์ข้างขวาสายน้ำพุ่งออกจากพระหัตถ์ข้างซ้ายเปลวไฟพุ่งออกจากพระหัตถ์ข้างซ้ายสายน้ำพุ่งออกจากพระหัตถ์ข้างขวาเปลวไฟพุ่งออกจากพระปลัดร่างข้างขวา สายน้ำพุ่งออกจากพระประัดข้างซ้ายเปลวไฟพุ่งออกจากพระประัดข้างซ้ายสายน้ำพุ่งออกจากพระประัดข้างขวาเปลวไฟพุ่งออกจากพระบาทข้างขวาสายน้ำพุ่งออกจากพระบาทข้างซ้ายเปลวไฟพุ่งออกจากพระบาทข้างซ้ายสายน้ำพ huh ุ่งออกจากพระบาทข้างขวาเปลวไฟพุ่งออกจากพระองค์กุรีทุกนิ้วสายน้ำพุ่งออกจากระหว่างพระองค์กุรี เปลวไฟพุ่งออกจากระหว่างพระองค์ุรีสายน้ำพุ่งออกจากพระองค์ุรีทุกนิ้วเปลวไฟพุ่งออกจากพระโลมาแต่ละเส้นสายน้ำพุ่งออกมาจากพระโลมาแต่ละเส้นเปลวไฟพุ่งออกจากพระโลมาแต่ละขุมสายน้ำพุ่งออกจากพระโลมาแต่ละขุมอ่นนี้ต้องต้องสลับกันนะก็คือเปลวไฟพุ่งออกมาจากพระโลมาแต่ละเส้น สายน้ำก็พุ่งออกมาจากขุมของพระโลมาแต่ละขุมนั้นส่วนเรลไฟพุ่งออกมาจากพระขุมขุมของพระโลมาแต่ละขุมสายน้ำก็พุ่งออกมาจากพระโลมาแต่ละเส้นนะขับพันธุ์ได้ังสีคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีแสกสีประพักษ์สอก็แผ่สั้นออกจากพระวรกายพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจงกลม พระพุทธเนรมิตรก็ประทับยืนประทับนั่งถือทรงสําเร็จสีหะ์สยยาถ้าแสดงพระองค์เดียวก็ไม่เรียกว่าเป็นยมกแม้ว่าจะมีสายน้ำํำมีเปลวไฟกับมีสายน้ําพุ่งออกมาเนี่นะเป็นคู่คู่ก็ตามแต่ว่าพระองค์ก็ต้องมีคู่ด้วยก็เลยทรงเนรมิตพุทธเนรมิตรขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงยมกด้วยกัน พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนพระพุทธเนรมิตรเสด็จจงกรมประทับนั่งหรือทรงสำเร็จสีหาสายยาพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งพระพุทธเนรมิตรก็เสด็จจงกรมประทับยืนหรือทรงสำเร็จสีหาสายยาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสำเร็จสายยาพระพุทธเนรมิตก็เสด็จจงกรมประทับยืนหรือประทับนั่งพระพุทธเนรมิตรเสด็จจงกรมพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับยืนประทับนั่งหรือทรงสำเร็จสีหาสายยา พระพุทธนิมิตประทับยืนพระผู้มีพระภาคเจ้าประเสริฐจงกรมประทับนั่งหรือทรงสําเร็จสีห์สยยาพระพุทธนิมิตประทับนั่งพระผู้มีพระพาคเจ้าปรเสด็ฐจงกรมประทับยืนหรือทรงสําเร็จสายยาพระพุทธนิมิตทรงสำเร็จสยยาพระผู้มีพระภาคเจ้าประเสด็จจงกรมประทับยืนหรือประทับนั่งนี้เป็นญาณนิยมกปาฏิหาริย์ของพระตถาคต เปลวไฟพุ่งออกจากพระวรกายส่วนบนด้วยอำนาจเต โ, จโชโกสินสมบัติของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นสายน้ำพุ่งออกจากพระวรกายส่วนล่างด้วยอำนาจอาปโปกสินสมบัติเพื่อแสดงการพุ่งออกแห่งเปลวไฟจากที่ที่สายน้ำพุ่งออกมาอีกการพุ่งออกแห่งสายน้ำจากที่ที่เปลวไฟพุ่งออกมาพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าเปลวไฟพุ่งออกจากพระวรกายส่วนล่างสายน้ำ พุ่งออกจากพระวรกายส่วนบนแม้นบทที่เหลือก็มีในนี้เหมือนกันก้อนอันยานนี้เปลวไฟไม่เจือปนกับสายน้ําแม้สายน้ําก็เหมือนกันไม่เจือปนกับเปลวไฟไม่ทราบว่าเปลวไฟกับสายน้นํานี้แม้ทั้งสองพุ่งขึ้นไปจนถึงครุมาโลกแล้วตกลงที่ขอบปากจักรวาลริมสุดในหมื่นจักรวาลก็ในรัศมีทั้งหลายรัศมีที่สอง รัศมีที่สองแต่ละรัศมีพุ่งออกเป็นคู่คู่ในขณะเดียวกันรัศมีทั้งสองนะจิต ส, สองดวงที่จะแล่นไปในขณะเดียวกันย่อมไม่มีก็คือเกิดจากจิตแต่ละดวงที่เกิดสืบต่อกันไม่พร้อมกันนะแต่ก็ด้วยความเร็วความสามารถของพระผู้มีพระเจ้านะบางที่แสดงไว้ว่าช่วงชวนาจิตที่มีพลังสืบต่อแค่สองขณะเท่านั้น แต่โดยปกติของคนปกติธรรมดานี่ม่รู้กี่แสนโกรธขณะแหละนนในช่วงระหว่างวิถีจิตเนี่ยนะมีผวังขั้นแต่ของพระพุทธเจ้านี่แค่สองขณะสองดวงก็พระผู้มีพระภาคเจา้าพุทธก็พระพุทธเจ้าทั้งหลายต้องมีพระรัศมีพุ่งออกดูดพุ่งออกในขณะเดียวกันเพราะการตกไปแห่งผวังนั้นแผ่วเบาก็คือเป็นไปเร็วเพราะทรงสั่งสมอบรมความชํานาญแล้วด้วยอาการห้า ระรัตนีนั้นๆมีการนึกอวชนวสีนะการบริกรรมแล้วก็การอธิษฐานยแยกแๆกันก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้านีรักขสินเพื่อประโยชน์กับสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นเหมือนกันก็เหมือนกันนะ<อ>พระชาพันธังสีพุ่งขึ้นจากห้องแห่งจักรวาลไปจดพรมโลกแล้ววกกลับมาจากขอปากัดปากจักรวาลดูดทองคําที่ละลายแล้วที่นายช่างเท อ, ออกจากเบ้า ดุดสายแร่ทองที่ออกจากธนานยนต์จักรวาลทั้งสิ้นมีแสงสว่างทั่วถึงกันดุดเรือนในดุดเรือนโพ ท, ที่เขายึดไว้ด้วยโครงในวันนั้นพระสาวดาเสด จ, จงตมทาปาฏิหารตรัดทำมรถาแก่มหาชนในระหว่างระหว่างก็เมื่อจะตรัดมิได้ทรงทาประชาชนให้อึดอัดใจทรงให้วาระที่เบาใจในขณะนั้น มหาชนพาการเปล่งเสียงสาธุการในเวลาที่มหาชนนั้นเปล่งเสียงสาธุการพระศ า, ษ า, ษาสดาทรงตรวจดูจิตของบริษัทมูใหญ่เพียงนั้นทรงทราบอาจาระจิตความเป็นไปของจิตด้วยอํานาจแห่งอาการสิบหกอย่างของแต่ละคนพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงมีจิตเป็นไปเร็วอย่างนี้บุคคลใดๆเรื่มสายในธรรมในปฏิหารใดๆ ก็ทรงตรัสธรรมะและทรงทำปาฏิหารด้วยอํานาจอัธยาศัยของบุคคลนั้นๆเมื่อทรงแสดงธรรมและทรงทําปาฏิหารอย่างนี้มหาชนได้จัดรู้ธรรมแล้วก็ในสมาพรมนั้นพระศาสดาทรงถือเอาพระทัยของพระองค์ไม่ทรงเห็นบุคคลอื่นที่จะสามารถถามปัญหาจึงทรงเนรมิตรพระพุทธนิมิตทั้งหลายเมื่อจะทรงนิมิตทรงเพิ่มจํานวนตามลําดับคือหนึ่งองค์สององค์สามองค์เป็นต้น ท ร, ทรงนิรมิตรพระพุทธเจ้าหลายร้อยพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบคําถามที่พระพุทธนิมิตรเหล่านั้นตรัสถามพระพุทธนิมิตตรัสตอบปัญหาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส ถ, ถ, ถ, ถามแล้วแม้ในการประทับยืนเป็นต้นพระพุทธนิมิตไม่ใช่น้อยบางกลมประทับยืนบางกลมเสด็จจงกรมบางกลุมทรงสําเร็จสา ย, ยาบางกลุมทรงสำเร็จสําเร็จสา ย, ยาในการนั้น พระรัศมีไม่ใช่น้อยต่างโดยสีเขียวและสีเหลืองเป็นต้นเปลวไฟสายน้ำและพระพุทธนิมิตเรียงรายกระจายอยู่ในอากาศประดับประดาท้องฟ้าไม่มีที่ไหนเหมือนไม่มีที่ไหนเปรียบเทียบได้ก็เทวดาและมนุษย์มิใช่น้อยเปล่งเสียงสุสาธุการดนตรีทิพย์บรรเลงในอากาศเทวดาทั้งหลายโปรยฝนดอกไม้ทิพย์ลงมาเกิดมีเสียงบรรลือมหรสศการย์รื่นเริงด้วยดนตรีพันชนิด มีองค์ห้าเป็นต้นทั้งของทิพและของมนุษย์พร้อมกันเมื่อพระศาสดาทรงกระทำอยู่อย่างนี้สัตว์ผู้มีลมปราณยี่สิบโกดในสมาคมนั้นได้บรรลุธรรมเพราะเห็นปาฏิหารและฟังธรรมกถายี่สิบโกดนะสองร้อยล้านค น, นก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลไปแล้วพระศาสดาเมื่อทรงทาปาฏิหารทรงไครขรวนว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงไปแล้ว ทรงทำปาฏิหาริย์นี้แล้วทรงจำภาษาณที่ไหนทรงเห็นว่าทรงเข้าจำภาษาในภพดาวดึงแล้วทรงแสดงพระบิธรรมปิดกแก่พระมารดาทรงดําริว่าเราจะยกพระบาทข้างขวาแล้ววางบนยอดภูเขายุคันทรในขณะ น, นั้นภูเขายุคันทรสูงสี่หมื่นสองพันยอดก็น้อมมารองรับพระบาทข้นเมื่อพระองค์ทรงยกพระบาทข้างซ้ายภูเขาพระสุเมนสูงประมาณ8ปดหมื่นี่พันยอด ก็ น, น้อมมารองรับพระบาทข้างซ้ายไม่มีบุคคลเห็นภูเขาที่โน้มมานั้นการกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเหยียบพระบาทออกไปสู่ที่ประมาณเท่านั้นย่อมไม่มีอันวิสัยแห่งฤทธ์ใครๆไม่ควรคิดเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายวิสัยแห่งฤทธ์ใครๆไม่ควรคิดไม่พึงคิดผู้ที่คิดเป็นผู้มีสัวแห่งคนบ้า เพื่อผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงบุรีของท้าวสกัดด้วยก้าวพระบาทสองก้าวอย่างนี้ท้าวสกัดทรงเห็นพระาศาสดาทรงดําริว่าพระาศาสดาจะทรงเข้าจำพรรษาท่ามกลางบรรทุกคำพลศิลาจะมีอุปการะแก่เทวดาเป็นจํานวนมากหนอก็เมื่อพระาศาสดาทรงเข้าจําพรรษาในสถานที่นี้บุคคลอื่นชื่อว่าสามารถเชื่อเพื่อจะพักมือไว้ไม่มีก็คือ ไม่ขนขวายไม่ได้น่าจะต้องมีการขวนขวายจัดแจงก็บรรทึกกำพรศิลานี้แหละยาวหกสิบโยศกว้างห้าสิบโยศสูงสิบห้ายโเมื่อพระศ า, ศาสดาประทับนั่งจะเป็นเหมือนที่ว่างเปล่าอั น, นี่ก็เป็นความคิดของเท้าสกะนะ่านั้นซึ่งเป็นความคิดที่ผิดพระศ า, ศาสดาทรงทราบอธิยาศัยของท้าสะก่านั้นทรงโยนผ้าสังาติของพระองค์ปกเปิดพื้นศิลาพอดีท้าสก่าทรงดตริอีกว่า พระศาสดาทรงโยนจีวรปกปิดอยู่ก่อนแต่พระองค์เองจะประทับนั่งในที่นิดหน่อยเท่านั้นพระศาสนาทรงทราบอัชชาสัยของทัาสกะนั้นจึงประทับนั่งเอาบรรทุกํำพลศิลาทั้งหมดไว้ภายในขนดจีวรเหมือนพิษุผู้ถือผ้าบางสุกุญญ่นั่งคลุมตังตัวต่ำนั่งคลุมตั้งต่ำทัาสกะทรงเห็นโทษของพระองค์ จึงขอเขมาเปิดเผยโทษของพระองค์ว่าอันการไม่รู้ประมาณของตนเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรงเป็นเช่นไรพระพุทธคุณมีประมาณเท่าไรเราตำหนิอย่างนี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระคุณอันใครๆไม่พึงคิดเลยในโลกมนุษย์ประชาชนพากันคิดว่าพวกเราจะดูปาฏิหารไม่ได้เห็นพระศาสดาในขณะนั้น การเวลาได้เป็นเหมือนเวลาอัสดงคตของพระจันทร์พันดวงและพระอาทิตย์พันดวงประชาชนหมู่นั้นกล่าวกันว่านี่อะไรกันแคลําครวนกล่าวคาถานี้ว่าพระศาสดาเสด็จไปที่ภูเขาจิตตโกูดภูเขาไกลาราศหรือว่าภูเขายุคคันธรพวกเราไม่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกผู้เลิศ ก, กว่านรกของเราทั้งหลายพวกอื่นอีกแคลมพ์ครวนว่า พระศาสดาผู้ทรงยินดีในวิเวกพระองค์ทรงดำริว่าเราทําปาฏิหาริย์อย่างนี้ให้บริษัทเห็นปา น, นี้ดูสเสด็จหนีไปในที่อื่นเพราะความละอายบัดนี้พวกเราจะไม่เห็นพระองค์อีกพากันกล่าวปาฐานี้ว่าพระศาสดาผู้เป็นนักปราดทรงยินดีในวิเวกจะไม่กลับจะไม่สเสด็จกลับมาสู่โลกนี้อีกพวกเราจะไม่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐในโลกผู้เลิศกว่านรชนของพวกเราประชาชนเหล่านั้นถามพระมหาโมคคะณะว่าท่านผู้เจริญพระศาสดาเสด็จไปไหนพระมหาโมคคะนะแม้แต่ตนเองทราบอยู่ก็คิดว่าคุณของพระสาวกเหล่าอื่นจงปรากฏกล่าวว่าพวกท่านจงถามพระอนุรุทธะเทระเถิดพวกเขาพากันถามพระอนุรุธทธะเถระ ว่าท่านผู้เจริญพระาศาสดาเสด็จไปไหนท่านตอบว่าพระาศาสดาเสด็จไปจะไปทรงจําเข้าจำภาษาที่บรรทุกกำพลทิลาในภพดาวดึงเพื่อแสดงพระวิธรรมปิฎกแก่เราเทวดามีพระมารดาเป็นประมุกพวกเขาถามว่าเมื่อไหรจะเสด็จในวันมหาปราณาถามว่าเมื่อไหร่จะเสด็จกลับมาท่านก็ตอบว่าพระองค์จะทรง พระองค์ทรงแสดงพระวิธรรมสามเดือนแล้วจะเสด็จกลับมาในวันมหาปารนาพวกเขาคิดว่าพวกเรายังไม่เห็นพระศาสดาจะไม่ไปไหนจึงพาการตั้งค่ายอยู่ในสถานที่นั้นทราบว่าอากาศได้เป็นเครื่องบุงบงังเครื่องเป็นเครื่องมุงเครื่องบังพวกเขาไว้ก็คือฝนตกกมนเปรเียกนะชมชนจำนวนมากเพียงนั้นไม่ปรากฏว่ามีเหงื่อไหลออกตามร่างกายเลย แผ่นดินก็ให้ช่องพื้นดินทั้งหมดในทุกที่สะอาดหมดจดพระศาสดาได้ตรัสกับเพร่มหาโมคคัละเทระแต่แรกเลยว่าเธอจงแสดงธรรมแก่ชุมชนนั่นจูดะอนาถพินธิกะจัดจัดอาหารให้ดังนั้นตลอดสามเดือนนั้นจูดะอนาถบินธิกะเศรษฐีได้จัดถวายข้าวต้มข้าวสวยของควรบริโภคและของควรขบฉันหมากพลูของหอม เครื่องประดับแก่ชุมชนในการทั้งปวงทั้งเช้าและเย็นพระมหาโมคระณะก็ได้แสดงธรรมพวกเทวดาและพรหมในหมื่นจักรวาแลแด่ร้อมพระาศาสดาผู้ทรงเข้าจำาัญษาบนบรรทุกํำพลศิลาเพื่อแสดงเพื่อทรงแสดงพระพิธรรมเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า พระพุทธเจ้าผู้สูงสุดในสัตว์สองเท้าประทับอยู่ที่บันทุก ร, รมพลศิลาโคนต้นปาริชาตในพพดาวดึงเทวดาในสิบโลกธาตุนั่งประชุมแวดล้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับที่ยอดภูเขาไม่มีเทวดาสักองค์ที่จะมีแสงสว่างสวัยกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสว่างสวัยครอบงมเทวดาทั้งหมด เมื่อพระศาวสดาประทับนั่งแล้วอย่างนี้พระมารดาเสด็จมาจากดุติตวิมานถวายบังคมพระศาวสดาแล้วประทับนั่งที่ข้างขวาเหล่าเทวดาที่เหลือก็นั่งตามตรงควรด้วยประการชนิ้ลาดับนั้นพระศาวสดาทรงแสดงพระอภิธรรมปิดกในท่ามกลางเทวดาบริสัทโดยในเป็นต้นว่าธรรมทั้งหลายที่เป็นกุโตโธน์ธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุโศลธรรม ท, ทั้งหลายที่เป็นอัพยกระดิดหรือว่าอัพยากตะตา พระองค์ทรงแสดงพระบิธรรมปิตกติดต่อกันตลอดสามเดือนอย่างนี้ก็แล้วเมื่อจะทรงแสดงโรเนรมิตรพระพุทธนิมิตด้วยเพื่อดํำรัสว่าพระพุทธนิมิตทรงแสดงธรรมข้างทรงแสดงธรรมประมาณนี้ในเวลาบินทบาทจนกว่าเราจะกลับมาแล้วเสด็จไปยังป่าหิมะพานทรงเคี้ยวไม้ชมระปันนาธ ร, รดาและล้างพระโอษฐ์ด้วยน้ําจากสานอดาร ทรงนำบินธบาตมาจากอุตรกุรุทวีปทรงประทับนั่งฉันพัตตาหารที่ศาลาโรงกลมใหญ่พระสารีบุตรเถระไปทาวัดปฏิบัติพระาศาสดาในที่นั้นในเวลาฉันพัตตาหารเสร็จในที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสารีบุตรวันนี้เราตถาคตกล่าวทรมีประมาณเท่านี้อย่างนี้อย่างนี้พระพุทธนิรมิตก็แสดงธรรมเท่านี้เหมือนกัน เธอจงบอกแกพิกษุอันเตวาสิห้าร้อยรูปของเธอพระพุทธองค์เองเสด็จไปยังเทวโลกทรงแสดงธรรมต่อจากที่พระพุทธท่านนมิแสดงพระพิธรรมนั้นจบลงโดยประมาณสามเดือนอย่างนี้ในการนั้นสัตวแปดสิบโกธได้บรรลุธรรมแปดร้อยล้านนะพวกเทวดาพวกพรหมทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายก็มีนิดหน่อยแม้พระนางมหามายาก็ดำรงอยู่ในโสดาปฏิพั ศาสนาตัเป็นบุรุษแล้วนะก็ได้บปรูเป็นพระโสดาบันนะก็ยังดีนะพ้นจากอบายภูมิละพระศา ส, สดาทรงจำรรษาแล้วตรัส บ, บอกเท้าสากะว่ามหาราชเราจะถาคตจะไปถิ่นของมนุษย์เท้าสากะทรงนารมิตบรรดาษสามชนิดคือบนไดาทองบนไดาเงินบนไดาแก้วมณีมเชิงบนไดาเหล่านั้นตั้งอยู่ที่ประตูเมืองสังกัดศัด หัวบันไดตั้งอยู่บนยอดเผาสินเนรุพระศาสดาทรงกระทำเทโวโหโรหณะปาฏิหารเงยพระพักร์ดูเบื้องบนได้มีลานอันเดียวกันถึงพรหมโลกทรงทอดพระเนตรดูเบื้องล่างได้มีลานอันเดียวกันถึงนรกอเวจีทรงทอดพระเนตรดูทั่วทุกทิศจักรวาลหลายพันจักรวาลได้มีลานเป็นอันเดียวกันพวกเทวดาเห็นพวกมนุษย์พวกมนุษย์ก็เห็นพวกเทวดาวันนั้น บุคคลแม้คนหนึ่งในชุมชนประมาณสามสิบกโยตที่มองดูพระพุทธสิริชื่อว่าไม่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยทุกคนปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าด้วยกันหมดเลยนะพวกเทวดาลงทางบันไดทองด้านขวามหาพรหมลงทางบันไดเงินด้านซ้ายพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลงจากบันไดแก้วมณีท่ามกลางปัญจาสิกขาเทพบุตรถือพินสีเหลืองเหมือนผลมาตูมสุก ยืนอยู่ข้างขวาทำการบูชาด้วยดนตรีตามลงมาสุยามะเทพบุตรถือพัดวาลวิชนีตามลงมาสันตุสิตะเทพบุตรก็รถือก้านพัดตาลมณีตามลงมาท้าสกะเปาสังวิชยุตเสด็จตามลงมาในจักรวาลนแมน้ที่เหลือเทวดาทั้งหลายมิท้าสกะเป็นต้นทำการบูชาหลายอย่างตามลงมาอย่างนี้ มหาพรหมกัณน์เสวติตาฉัดด้านซ้ายพระศาสดาเสด็จลงด้วยการแวดล้อมอย่างอย่างนี้ประทับยืนที่ประตูเมืองสังกัตตะประชุมชนหมู่ใหญ่ที่ชุมนุมกันอยู่ในกรุงสาวัตถินั้นเนีรับประทานอาหารเช้าในวันมหาปรวรณาพากันออกไปโดยคิดว่าวันนี้พวกเราจะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประตูเมืองสังกตสะถึงประตูเมืองสังกัตตะ เป็นเหมือนเข้าไปสู่วิหารใกล้ตะตูเข้าหมู่บ้านฝ่ายพระสารีบุตรเถระพร้อมทั้งบริวารมาถวายบังคมพระศาสดาขอพระเหตุที่พระศาสดาเสด็จลงด้วยพุทธสิริอย่างนี้พระเถระไม่เคยเห็นมาก่อนเลยฉะนั้นท่านพระสารีบุตรจึงกราบทูลอย่างนี้ว่าพระศาสดาผู้มีพระสูตรเสียงไพเราะอย่างนี้เสด็จได้เสด็จจากภพดุสิตมาสู่ที่ประชุมนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยินจากใครๆมาเลยก่อนหน้านี้พระสารีบุตรทูลชมเชยด้วยคำเป็นต้นว่าข้าพระองค์มีความต้องการถามปัญหาจึงมาเฝ้าพระพุทธเจา้าพระองค์นั้นผู้ไม่ตรงถูกกิเลสอาศัยเป็นผู้มั่นคงไม่หลอกลวงเสด็จมาเป็นพระคณาจารย์ของคนเป็นอันมากผู้ยังผูกพันอยู่ในาศาสนานี้ดังนี้แล้ว ทูลว่าพระองค์ผู้เจริญวันนี้เทวดาและมนุษย์แม้ทั้งหมดย่อมรักใคร่พระองค์พระศาสดาตรัสว่าสารีบุตรพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงประกอบด้วยพระคุณเห็นปานนี้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงทรงแสดงพระสูตรเป็นอันมากในครั้งนั้นสัตว์สามสิจโกรธได้บรรลุธรรมอีกสามร้อยล้านนะก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ทรงมีความชำนาญในปาฏิหาริสามประการคืออิทธิปาฏิหาริย์หนึ่งอัตถนาปาฏิหาริหนึ่งอนุสาสนีปาฏิหาริหนึ่งได้ทรงกระทำวิกกปพนาฤทธิ์อย่างประเสริฐเช่นนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นพระสุคต์ดังนี้การพันธนาปาฏิหาริสามประการในคัมภีชินาลังการะที่ให้ความเพลิดเพลิน แก่สาธิชนจบแล้วด้วยประการชนีสาธุสาธุสาธุ